Book 2 <24 S 3> <24. S 1> <24. S> 2ยี่สิสการนัดหมายอฟสปร็ n กคุณพลาดรถโดยสารหรือเปล่าคะเฮทิอัยดีบัสเขมดิฉันรอคุณครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะ uur er jou คุณมีมือถือติดตัวไม่ใช่หรือคะ Het jy nie ะเซลฟ์เฟลนใบใหญ่นี้ครั้งหน้าขอให้ตรงเวลานะคะเวสฟุกเกอร์น e ้เป็นไรส์ครั้งหน้านั่งแท็กซี่นะคะนี่มันฟ e กเกอร์นี้แ ครั้งหน้าเอาร่มมาด้วยนะคะนี่มันฟุ e ัน e ีกเชียร์ใส่ส้มกริ n พรุ่งนี้ดิฉันหยุดค่ะมัวร์สักไฝ่พรุ่งนี้เราจะพบกันดีไหมคะสอนส์มัวร์อุ่นมุดขอโทษค่ะพรุ่งนี้ไม่ได้ค่ะ k is j a m m e ะ So, m o วร์ปัสไมนีสุดสัปดาห์นี้คุณมีอะไรทาหรือยังคะ a t jy p l a n e v i r n o v e k หรือว่าคุณมีนัดแล้วคะ o f e j y r e e d s a f s p r k ดิฉันเสนอให้เราเจอกันวันสุดสัปดาห์ Axel o u r o n s o n t mut d i n w e i k เราไปปิกนิกกันดีไหมคะเราไปชายหาดกันดีไหมคะเราไปเที่ยวภูเขากันดีไหมคะดิฉันจะไปรับคุณที่ทำงาน ที่ฉันจะไปรับคุณที่บ้าน the ที่ฉันจะไปรับคุณที่ป้ายรถโดยสารอ ku ฉัน u b ไปรั b คุณที่ป้า